ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการทำและทัศนาชีวิตผมวสินินทศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมจบลงก็เป็นเวลารุ่งสว่างพอดีเป็นเวลาที่รุ่งสว่างพอดีนี้ก็เระราชบูรุษ ได้นำอารวกะกุมารมาให้ยักษ์พร้อมด้วยเชิญให้อาระวะกะยักษ์กินแต่ยักษ์ได้สำเร็จโสดาปฏิพลเธ์แลว้วจึงปฏิเสธแต่กลับเอามือประคองกุมาร น, น้อยน้อมเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคขอให้ทรงรับไว้เพื่อประโยชน์เกื่อกูลแก่กุมาร มาถึงตรงนี้ท่านผู้ฟังอาจจะตั้งข้อสงสัยนะครับว่าทาไมอยู่ๆก็มีเรื่องอารวาตคุมารปรากฏขึ้นอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปย้อนกลับไปดูข้างต้นอีกหน่อยหนึ่งที่ผมเรียนท่านผู้ฟังไว้ว่าในระหว่างนั้นมีเรื่องมากมายพอสมควรแต่ผมก็ได้ผ่านไปเพื่อ ไปสู่ปัญหาด้วยการตอบปัญหาก่อนอันนี้เพื่อจะให้รู้ข้อความคร่าวๆโดยย่นย่อว่าเป็นอย่างไรเรื่องอาร ว, วากะกุมารเป็นอย่างไรซึ่งท่านผู้นี้ต่อมาก็เป็นบุคคลสำคัญในพุทธศาสนาเรื่องเดิมก็มีว่า อันนี้ก็ปรากฏในอธักธกถาอาละววะกัสูดนะครับยักษขะสังยุดเล่าไว้ว่าอาราะวะกยก์อยู่ที่ต้นไส่ใหญ่เขตเมืองอาราวีก็ไกลจากเมืองประมาณขาวุธหนึ่งภา่ีคาวุธเท่ากับหนึ่งโจทย์หนึ่งขาวุธหนึ่งาวุธเท่ากับร้อยเส้นหรือแปดสิบกุชภะอันนี้ตัวเลขตามที่ท่านให้อวันะครับ พระราชาพระนามว่าอาลา ว, วัากกะเสด็จไปล่าเนื้อในป่าพร้อมด้วยข้าราชบริพารต้งทำสัญญาไว้ว่าเนื้อหนีไปได้ทางผู้ใดผู้นั้นมีโทษปรากฏว่าเนื้อหนีไปได้ทางพระราชานั่นเองด้วยคัตติยมา น, นะพระราชาจึงเสด็จตามเนื้อไป ท่านว่าจำธรรมดาเนื้อมีกำลังวิ่งได้เพียงสามโยนก็จะหมดกำลังพระราชาก็ส่งท่าเนื้อที่หมดกำลังแล้วแล้วก็ไปที่แหล่งน้ำแห่งหนึ่งตัดเนื้อออกเป็นสองท่อนแม้ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ทรงต้องการเนื้อแต่เพื่อให้พ้นผิดว่าพระราชาไม่อาจจะจับเนื้อได้ จึงทรงหาบมาระหว่างทางทรงเดินต้นไทรใหญ่ใบนาไม่ไกลเมืองจึงเสด็จข้าไปพักที่โคนต้นไทรนั้นต่อไปนี้ท่านผู้ฟังได้โจรดฟังแบบเอาคติฟังแบบเอาคติบบคตตไม่ต้องทั้งปัญหาว่าจริงหรือไม่จริงเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็น เรื่องนามธรรมนามธรรมทรายศาสตร์ที่ว่าด้วยโุดมคติหรือคติธรรมไม่ใช่โพสิติไม่ใช่โพสิติทรายไม่ใ ช, size, ไใช่ไม่ต้องการจะแสดงพลัดหรือเรียลิตี้แต่ต้องการแสดงไอดียนโดมคติหรือว่าคตติธรรมขอเล่าต่อไปว่า ต้นไทรนั่นเป็นที่อยู่ของอาละวัจยักษ์ยักษ์นั้นได้รับพรจากสำนักเท้ามหาราชคือเท้าเวสวร์เท้าเวสวร์นี้เป็นหัวหน้ายักษ์ราชาแห่งยักษ์เวลาให้จินสัตว์หรือคนที่เข้าไปภายใต้ร่มเงาของต้นไทรได้ในเวลาเที่ยงมีกำหนดเวลาด้วยนะครับเฉพาะเวลาเที่ยงก็พระราชาไปเวลานั้นพอดี ยักษ์จึงจับพระราชาเพื่อกินพ่ออาชาจึงขอเงื่อนไขว่าถ้าปล่อยพระองค์ไปจะส่งมนุษย์และถาดสําหรับมาให้ทุกวันยักษ์ทูลว่าพระองค์จะเสด็จไปแล้วจากเพลิดเพลินด้วยกามสุขชุประโพธจนลลิกไม่ได้ถึงคำปฏิยาหรือคำปฏิญญาหรือคำปฏิญาที่ได้ให้ไป เขาก็จะอดกินพระราชาชาตว่าวันใดไม่ได้ส่งมนุษย์มาให้ยักษ์ก็ขอให้ยักษ์ไปหาพระองค์แล้วจับพระองค์กินเสียยักษ์จรึงยอมปล่อยพระราชาเสด็จกลับมาพบรีพนรอคอยอยู่ริมทางส่งเล่าเรื่องยักษ์ให้ฟังแล้วเสด็จกลับพระนคร ขวัญรุ่ขึ้นจัดเรียกผู้รักษาพระนครเท้าเฝ้าส่งเล่าเรื่องยากให้ฟังเขาทูนถามว่าทรงกำหนดเวลาในการส่งคนไปหรือไม่จัด่ามิได้กำหผู้รักษาพระนครทูลว่าธรรมดารรมนุษย์จะทำได้แต่เพียงเวลาที่กำหนดไปเท่านั้นคราวนี้พระองค์ทำพลาดไปเสซะแล้วแต่ไม่เป็นไร เขาจะจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยวันรุ่มขึ้นผู้รักษาพระนครไปยืนอยู่ที่ประตูเรือนจำต่เช้าสุกกล่าวว่าผู้ใดต้องการมีชีวิตอยูก่ก็ขอให้ออกมาเขาได้นำผู้ที่ออกมาไปเสด็จให้อับนม้มให้บริโภกแล้วให้ถือถาไปยังใต้ต้นใสใหญ่เป็นที่อยู่ของอาละวากระยั ยักษ์เนรมิตอัตภาพมันน่ากลัวแล้วก็เขี้ยวกินคนที่เข้าไปตายต้นไม้นั่นเหมือนกินในใสเหมือนกินเงามันมนุษย์พากันเล่าเือว่าพระราชาจับโจรได้แล้วให้ยักกินตั้งแต่ น, นั้นมาโจรกรรมก็ลดลงเรือนจำว่างพอาโจรเก่าก็หมดไปโจรใหม่ก็ไม่มี ผูรักษาพระนครจึงกลับทูดให้พระราชาทรงทราบพระราชาจึงทรรมอุบายให้คนนำทรัพย์ส่วนพระองค์ไปทิ้งไว้ที่ถนนในเมืองเพื่อว่าผู้มีความโลภในทรัพย์จะหยิบช่วยไปพระองค์จะได้ตั้งข้อหารักทรัพย์จะส่งให้ยักกิจแต่ไม่มีใครแตะต้องทรัพย์นั้นเลย พระราชานำเรื่องปรึกษาพวกกัมมัดพวกเขาถวายความเห็นว่าจะส่งคนเฒ่าคนแก่ให้ยักยินพระราชาตรัสว่าถ้าส่งคนแก่เท่าไปจะเดือดร้อนแก่คนหมู่มากเพราะว่าแต่ละคนก็มีลูกหลานลูกหลานของเขาก็จะเกาะกวนไม่ยินยอมพวกอัมมัดจึงทูลว่าถ้าอย่างนั้นจะส่งเด็กแแ บ, บอกไป พระราชาทรงอนุญาตเมื่อเป็นเช่นนี้มันดาปิดาจึงนำเด็กให้จริงมีพันไปอยู่แคว้นอื่นเมื่อเติบโตแล้วจึงนำมาเหตุการณ์เป็นไปทำนองนี้จนเวลาล่วงไปถึงสิบสองปีวันหนึ่งพวกรามค้นหาเด็กในเมืองอาราลีหาไม่ได้เลย จึงทูลพระราชาว่าไม่มีเด็กเหลืออยู่เลยนอกจากอาล ว, วากะกุมารพระราชาโอรสเท่านั้นพระราชาตรัสว่าเรารักบุตรฉันใดคนอื่นในโลกเขาก็รักบุตรของเขาฉันนั้นแต่ความรักคือยิ่งกว่าความรักตนไม่มีเพราะฉะนั้น ตจงมอบบุตของเราให้ยักไปเถิดเมื่อให้ลูกของคนอื่นได้ก็ควรจะให้ลูกของตนได้แต่ว่าตนเองให้ไม่ได้เห็นว่าความรักสุดความรักตนปรก็บด้วยความเห็นแก่ตัวอต้องให้คนอื่นไปตายก่อนตัวเองก็ขอตายเป็นคนสุดท้าย วันนั้นเองเพระผู้มีพระภาคเจ้าตอนเช้าจุนะครับทรง ต, วตรวจดูปณิสัยของเวณายสัตว์ทรงเหน็ปนปณิสัยแห่งอนาคามิผลของอาลวาวกะกุมารอาลาวกะกุมารพระโชโรต์แล้วก็ปณิสัยแห่งโสดาปฏิผลของอาลวกะหยักรวมทั้งเทวดามนุษย์อิจเป็นอันมาก จะได้ดวงตาเห็นทับวันนั้นเป็นวันอุโบสถแห่งกาลปักคือขั้งแรมสิบห้าครับพอดวงอาทิตย์ตกก็สเสด็จโดยพระองค์เดียวสเสด็จโดยพระองค์เดียวจากเมืองสาวัตถีโดยพระบาทเก่าเป็นระยะทางถึงสามสิบยต์เท่าที่คำนวณกันก็ หนึ่งโยต์เท่ากับสิบหกกิโลนะครับสามสิบโยต์สเสด็จไปยังที่อยู่ของยักษ์ตอนนี้พระตถาจารย์ทั้งคำถามว่าพระสัสดาประทับนั่งที่โขนต้นใสหรือประทับที่พบคือที่อยู่ของยักษ์ตอปว่าในที่อยู่ของยักษ์ประทับที่พระวนเนพระวันครับ ในภาษาอินเดียบ้านเรือนบ้านของอินเดียบ้านผู้หลักผู้ใหญ่มักจะลงทายด้วยพาวันพาวันภาวันีภาวันะพาวันสวัสดีอยู่ท่านกล่าวว่าพวกยักษ์ย่อมใจเห็นที่อยู่ของตนเองแต่มนุษย์ไม่เห็นฉันใดพระศาสดาก็ทรงเห็นที่อยู่ของยักษ์ฉันนั้น พระสัสดาคืคอพระพุทธเจ้าเสด็จไปยืนอยู่ที่หน้าประตูที่อยู่ของยักษ์เวลานั้นอ า, ารวาสกายไม่อยู่เขาไปไประชุมที่ยักษ์ขสมาคมในปลาอิมวันแต่ยักษ์ชื่อคัทระพระอยู่เฝ้าเขาเห็นพระสัสดาแล้วจิงเข้าไปเฝ้าถวายบังคบกราบทูลว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาในเวลาวิกาลทรงมีพระประสงค์สิ่งใดพระศาสดาตรัสว่าถ้าไม่เป็นการหนักใจแต่ขอพักที่นี่สักคืนนคขัตถรพกทุนว่าตัวเขาเองไม่หนักใจแต่ที่อยู่นี้เป็นของอาละวาดใหญเขาเป็นคนหยาบคายไร้การไม่เคารพอ่อนน้อม แม้ต่อมันดาปิดาเขาคงไม่ชอบใจการพักอยู่ของพระภูมีพระพักเจ้าทตระพะทูลถึง3ามครั้งแต่พระสสดาก็ทรงยืดจันว่าสามารถพักในที่อยู่ของอารวกยักษ์ได้โดยไม่มีอันตรายทัตระพะทูลว่าถ้าเขาไม่ไปขออนุญาตอารวกยักษ์ก่อน เขาอาจถุกฆ่าตายเพราะฉะนั้นเขาขอลาไปขออนุญาตก่อนถวายบังคมพระสัสดาแล้วมุ่งหน้าสู่ปาหิมพานต์พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จข้าไปประทับนั่งหน้าที่นั่งของอาลวะวาดยักษ์งเปล่งพระรัศมีสีทองอยู่พวกผู้ญิงของยักษ์ได้เห็นรัศมีสีทองแล้วมานั่งแวดล้อมพระพุทธองค์อยู่ ว่ามีพระภาคย้าจักรกินนักธรรมกถาเจอกล่าวทำเบเ็ดเตร็จสิเกตน้อยๆแกริงเหล่านั้นพวกเธอฟังทำด้วยความพอใจและก็ให้สาธุการด้วยคอยคัตตาลพระไปบอกอาราวะกยับขคณะเขาเประชุมอยู่อาราวกกะได้พูดเบาๆเพราะไม่อยากให้ใครได้ยินอาราวกกะขอให้ ขอให้พูดเ่าๆ เ, เพื่อไม่ให้ใครได้ยินในการนั้นยักษ์สองตนคือสาตาคิรีและเหเมวะตาคิดว่าจะไปถวายบังคมพระสัสดาที่วัดเชตวันกอนแล้วจึงค่อยไปประชุมที่ยักษ์ขสมาคมจึงพร้อมด้วยบริวารไปทางอากาศ พอมาถึงที่อยู่ของอาระวากยักษ์ทางอากาศถูกปิดหมดพวกยักษ์ผ่านไปไม่ได้สนุกดีนะครับตื่นเต้นดีทางอากาศถูกปิดหมดพวกยักษ์ผ่านไม่ได้ส่วนวิมานของอาลวะกยักษ์นั้นตั้งอยู่บนพื้นดิน ม, มีผู้รักษาล้อมด้วยกำแพงมีซุ้มประตูจัไดไว้ดีแล้ว สูงขึ้นไปถึงสามโยชน์พอมาถึงตรงนั้นพวกยักษ์ก็ผ่านไปไม่ได้ท่านกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ใดจากนั้นขึ้นไปเบื้องบนขึ้นไปไม่มีใครสามารถผ่านได้พระเมรพักตร์ประทับอยู่ที่ใดเบื้องบนขึ้นไปจากที่พระเมรุพกรประทับจะไม่มีใครผ่านได้ ยักษ์เหล่านั้นก็คิดกันว่ามีเพราะอะไรกันหนอะเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วรีบลงมาถวายบังคมแล้วไปไประชุมที่ยักษ์ขจมาคมุเห็นอารวาจยักษ์อยู่ที่นั่นจึงบอกว่าลาบของท่านแล้วเป็นลาบของท่านแล้วที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่หน้าที่ของท่าน พท่านจบข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดอาระวักขยักฟังคําสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ยักขสมาคมแล้วให้รู้สึกแทกเครื่องใจคิดอยู่ว่าใครหนอชื่อว่าพระขวาพขวพระขาวนี่พระขวาพขวพระขาวแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับใครหนอที่ชื่อว่าพระขวาพขวพระขานี้ ยักษ์คนอคื่นเขารู้จักอาละวาดยักษ์ไม่รู้จักยักษ์ทั้งหลายได้เล่าเรื่องของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ฟังตั้งแต่สมัยทรงเป็นเทพจู๋ชั้นดูสิจนได้จะัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแต่อาละวาดยักษ์เอาแต่กโกรธไม่ฟังเทศผลโกรธที่พระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนที่อยู่ของตน เมื่อกลับมาสู่ที่อยู่ของตนก็ทดลองแสดงฤทธิ์เพื่อลองดีกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเช่นบรรดาใ้เกิดลมบ้าหมูที่สามารถจะพัดเอาโรงช้างลงมาหรือถอนต้นไม้ในป่าป็นทนได้แต่ลมนั้นก็ไม่อาจทำให้ชายจีวนของพระสัสดาไหวได้เลยด้วยแรงอธิษฐานของพระองค์ อยากทำให้ฝนตกร้อยหาพันหาแต่ฝนเรานั่นก็ไม่อาจแม้เพียงทาจีวรของพระศัสดาให้เปียกอยากทำให้ฝนแผ่นหินตกลงมาแต่พอมาถึงพระทศพลฝนแผ่นหินเหล่านั้นกลายเป็นช่อดอกไม้เป็นช่อดอกไม้ชิบบูชาพระผู้มีพระภาอยักไม่สามารถให้พระสัสดานีไปได้ด้วยลม บ้าหมูผลใหญ่ผลแผ่นทิพย์ผลเครื่องประหารผลฐานเพลิงผลขี้เท้าผลทรายผลเปือกต้มและด้วยความมืดความมืดันน่ากลัวนั้นพอมาถึงพระสัสดาก็กลับสว่างเหมือนถูกแสงพระอาทิตย์กำจัดต่อจากนั้นยักษ์ก็เข้าไปหาพระสัสดา พร้อมโดยพวกผีที่มีลักษณะอาการนั้นน่ากลัวต่างๆแต่ก็ไม่อาจเข้าใกล้พระโพสพนได้เปรียบเหมือนแมลงวันเข้าไปเพื่อจะเกาะแท่งโลหะที่กําลังเผาอยู่เป้าสูกนะครับมันก็แมลงวันเข้าไปใกล้เป้าสุกถ้ามันเข้าไม่ได้มันเข้าไปไม่ได้มันโดนเป้าสุกลบเป้าสุกลบ นั้นยักษ์จึงคิดจะเปลี่ยนเปลี่ยนพระภูมิพระภาคเจด้วยการถามปัญหาตอนนี้พระาจากระถัดจันร์ได้ตั้งปัญหาขึ้นว่าปัญหาที่ยักษ์ทูลถามพระศัสดานั้นยักษ์เรียนมาจากไหนคิดขึ้นเองเนี่ออกมาจากไหนตอบว่าทราบมาจากมารดาปิดาของยักษ์เพาได้เคยเข้าเฝ้า พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียนปัญหาแปดข้อพร้อมด้วยคำเสลยแล้ว่าอารวกขยักเรียนไปตั้งแต่สมัยยังหนุกวันเวลาล่วงไปได้ลืมคำเฉลยหมดแล้วเขียนเฉพาะคำถามไว้บนแผ่นทองเก็บไว้ในวิมานของตนและสัสดาทรงอนุญาตให้ถามปัญหาได้ทุกอย่าง ว่าเรื่องการปรบปัญหาไม่นานสาหรับเาราส่งปรบปัญหาด้วยสัพพัญญูปรบรณญหารู้ทุกอย่างตอบได้ทุกอย่างไม่ทั่วไปแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระาการสาวกมหาสาวกเมื่อได้โอกาสเช่นนั้นอาละวาดยัจึงทูลถามปัญหาตามที่ผมได้เล่ามาทั้งหมดแล้วนะครับได้ทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าทรงตอบปัญหาแล้วก็เมื่อจบ ลงก็เป็นเวลารุ่งสาว่างพอดีแล้วก็มีผู้น้อมนำอาลวะกุมารมาให้จักพร้อมด้วยบอกให้กินขยะไม่ให้กินเพราะว่าสําเร็จเป็นโซดาบันแล้วพระศาสดาทรงรับอาลวะกับกุมารทรงให้พอให้อายุจิดให้มีความสุขปราศจากโลกมีชีวิตอยู่เพื่อประโยชน์แก่โลกขอให้กุมารถึงระตนนัตไเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต แล้วส่งประธานรัชกุมารคืนแกร่ราชบุรุษรัชกุมาร น, นั้นต่อมามีพระนามว่าหัตธกะอาละวะกะต่อมาเมื่อเจริญไหวแล้วได้เข้าไปนั่งกายพระภูมิพระภาค พ, พระภิกษุงสงฆ์ฟังธรรมแล้วได้บรรลุอนาคามิผลมันเรียนพระพุทธพจน์มีอุบาสกห้าร้อยเป็นบริบาลต่อมาได้รับยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นยอดแห่งอุบาสก ผู้สงเคราะห์ชุมชนด้วยปัจจัยสิตามเรื่องของอารยภยักษ์นี้จะเห็นว่าแม้ผู้ที่ชั่วร้ายใจปราปหยาบชตาที่สุดเช่นยักผู้นีพระศัสดาก็ยังสามารถพึกให้เชื่องกลับมาเป็นคนดีได้และไม่ใช่ดีธรรมดาแต่ดีชั้นอริยะซะอีกด้วยคือเป็นพระโสดาบันซึ่งมีความไม่ปกกรมเป็นธรรมดาชีวิตของท่านมีแต่จะสูงยิงยิ่งขึ้นไป